ย้ำหายใจเลยเนาะเราหายใจมาแต่เกิดนะเนาะแล้วหายใจทิ้งไปเรื่อยๆย้ำรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหลวงพ่อเริ่มกรรมฐานนะเริ่มมาจากหายใจอนัปนสติอนัปนสตินะั้นเป็นกรรมฐานกลางๆใช้ได้ทุกจิตนิสัย แล้วเป็นกรรมฐานแทบจะเรียกว่ากรรมฐานแม่กว้างกว่างมากเลยครอบคลุมกรรมฐานอื่นๆเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยงั้นะถ้าใครทำอะไรไม่เป็นนะทำอานาปนานสติไว้ก็ได้อานาปนานสติก็คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปได้นะเห็นร่างกายมันหายใจอยู่ อันาปาสติเป็กรรมฐานที่กว้างมากเลยใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้มีกรรมฐานไม่กี่อย่างที่ทำอย่างนี้ได้สมถะนะก็ทำได้หมดเลยตั้งแต่คานิกะสมาธิอุปจาราสมาธิอัปปนาสมาธิทำได้ถึงฌานที่สี่ต่อขึ้นอภิญยาได้ด้วยแล้วก็เป็นบาทเป็นฐานขึ้นอรูป ได้ด้วยกวางขวางมากพลิกไปเป็นกสิณก็ได้นะเอาิญญาอะไรพวกนี้มันพริกไปจากกสิณจริงใช้ทำวิปัสสนาก็ได้ทุกรูปแบบใช้ปัญญานำสมาธิก็ไดนะ้ใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็ได้ด้วยอานาปนาสติเนี่ย เป็นกรรมฐานแทบหนกพ่อเรียกว่าถ้าจะเรียกว่ากรรมฐานแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็บอกนั้นว่าทํากรรมฐานอะไรสุดท้ายตอนจิตจะรวมมดมาลงที่ลมอีกส่วนมาก <S <S งันทําอะไรไม่เป็นก็หายใจไหมก็นะาหายใจอยู่แล้วแต่หายใจทิ้งทิ้งเปล่าเสียประโยชน์เปล่าหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวรู้สึกอย่างสบาย อย่าไปเคร่งเคลียดหายใจแล้วรู้สึกตัวสบายๆถ้ามันอื่นอันนะนึกยิ้มอะไรซะก่อนนะยิ้มยิ้มทำใจให้สบายทำหน้าให้ยิ้มยิ้มไปเห็นพระพุทธรูปหน้าบึ้งมีไหมหายากนะเหกนมาพราก็ยิ้มยิมเวลายิ้มยิ้มนะมีความสุข ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิหลวงพ่อจะยิ้มให้ดูนะไม้มจิตรวมแล้วยิ้มไม่เสร็จเลย่านเด็กๆพ่อพาไปหาท่านพหลีวัดอโศการามท่านเป็นครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นบุกเบิกเข้ามาสอนคนในเมืองสอนคนกรุงเทพคนอุบล เรียนนะท่านนท่านเจอหน้าครั้งแรกเลยท่านก็ถามนั้นปีศูนย์สองถ้าไมเพิ่งมาปานนี้เราเพิ่งเจ็ดขวบเองมาเลยวันนี้มันมาไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ไม่พามาเนี่ยทําไมเพิ่งพาเพิ่งมาป่านนี้ะท่านอยู่ได้อีกสองปีจสิน้นคือเวลาที่ได้เรียนกับท่านมันไม่มาก ท่านก็เลยสอนเบสิกไม่ให้สอนอนาปนาสติไม่ได้สอนวิปัสสนาให้ไม่ได้สอนถึงขั้นเดินปัญญาเดินปัญญาท่านก็เดินเป็นท่านไม่ใช่พระธรรมดาตอนท่านจะตายท่านไม่สบายเป็นโรคกระเพาะเสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นมาว่าเขาว่าพระอนาคาถาตายเนี่ย ก็ไปอยู่พรหมสุาวาดมันเป็นยังไงอยากดูอยากดูถอดอจิตออกไปดูนะแต่จิตไปดูโอ้ดูสบายดีย้อนมาดูที่ร่างกายนะดูไม่ได้เลยน่าเกลียดน่าชังเลยทิ้งเลย น, นี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังหรอกหลวงพ่อไม่ได้รู้ได้เห็นเองตอนนั้นยังไม่สิบขวบเลยตอนที่ท่านสิน้น แต่ตอนที่เรียนกับท่านท่านสอนอนาปานสติให้ให้ใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหาใจออกบริกรรมว่าโทนับหนึ่งพุทโทนับหนึ่งพุทโทนับสองท่านให้นับไปถึงสิบพอสิบแล้วก็นับเก้านับแปดแบบปล่อยจรวดนับถอยหลังหลวงพ่อเจ็ดขวบแลวให้นับไปถึงสิบนับได้นะนับมาเก้าแปดเจ็ดโอ้ชักลําบากแล้วรู้สึกไม่ไหวนับอย่างนี้เครียดไม่เอา กูสิพลิกแปลงเอานะนับมันถึงร้อยเลยนับหนึ่งถึงร้อยแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ฝึกอยู่เรื่อยๆทีแรกนับได้ไม่กี่ทีนะก็เผลอไปละพอเผลอไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นับให้ได้ถึงร้อยโอ้ยฝึกอยู่นานเหมือนกันนะเป็นวันๆเลยกว่านับหนึ่งถึงร้อยโดยไม่เผลอจุดสำคัญคือความมีสติ ไม่ใช่มุ่งเอาความสงบอย่างเดียวนะความสงบเป็นของแถมเท น, นั้นเองเราหายใจเข้าหายใจออกด้วยคมีสติตามมาค่อยๆสังเกตไปอีกเวลาหายใจนะั้นถ้าเราเริ่มหายใจออกก่อนใจมันจะโลง่งสบายต่อเข้าสมาธิได้เร็วถ้าเริ่มจากหายใจเข้าก่อนนะใจมันจะแน่นต่อเข้าสมาธิยากต่อเข้าความสงบลึกๆยากเพราะใจมันแน่น ใลกจับเคล็ดได้มันต้องสบายๆบารทำสมาธิง่ายให้ใจสงบเนี่ยต้องสบายตอนหลังเนี่ยมาบวชแล้วนะานาสบายใจแล้วก็มาอ่านหนังสืออริธรรมดูอยากรู้ว่าอริธรรมเขาสอนอะไรก็มีสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเขาสอนอะไรเหมือนกันปริยัตปฏิบัติเนี่ยถ้าพานาเป็นมันจะลงอันเดียวกันได้ เป็นส่วนมากนะเป็นส่วนน้อยก็มีปริยัติที่มันเคลื่อนเคลื่อนมันก็มีอยู่กันปริยัติรุ่นหลังๆมันก็มีที่เคลื่อนเคลื่อนคิดนอารานักคิดก็คิดขึ้นมาตอนเด็กๆ เ, กเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนะ้ำไม่มีมารยาไม่ได้คิดว่าทำํำไปเพื่ออะไรครูบาอาจารย์บอกให้ทําก็ทําเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรนับหนึ่งนับไปถึงร้อย นั่อยู่ช่วอาทิตย์หนึ่งจิตจะรวมลงมาลมก็ตื่นตื่นตื่นกลายเป็นแสงขึ้นมาอยู่ที่จมูกเนลมมันสั้นแล้วหายใจถึงท้องพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะตื่นตื่นตื น, ตนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเวลาที่พวกเรากิเลสแรงๆนะจิตใจเคลื่อนไหวแรงๆลมหายใจก็ต้องใช้เยอะใช้ออกซิเจนเยอะเวลาจิตเริ่มสงบเนีใช้ออกซิเจนน้อย งันลมมันจะตื้นตื้นต้นขึ้นหายใจน้อยลงน้อยลงนะสุดท้ายกลายเป็นแสงสว่างลมมันหยุดปุ๊บกลายเป็นแสงอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยพอเป็นแสงแล้วไม่รู้หลักไม่รู้หลักไปสนใจวุ่นสว่างดีไปดูที่แสงนี่ส่งเขี่ยวออกนอกเดินไม่รู้ตัวพอไปดูที่แสงะแสงนี้มันเคลื่อนออกไปก็ตามมันไปเรื่อย คลืนล่นเคื่ื่อนมันตามไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรนะออกไปเที่ยวข้างนอกไปเจออะไรต่ออะไรข้างนอกนเล่นอยู่แต่ว่าไม่นานนัวกวันหนึ่งก็เกิดนึกขึ้นได้ว่าถ้าออกข้างนอกแล้วไปเจอเทวดาเราไม่กลัวถ้าเจอผีเรากลัวก็เลยพยายามไม่ให้ออกต่อไป น, นี้ยแลจะไม่ตามแสงไปแล้นะหายใจแล้วพยายามรู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกอยู่ ทำได้แค่นั้นเองทำได้แค่ความสงบนะสงบบงทีร่างกายหายไปเหลือใจอันเดียวเพาไปต่อไม่เป็นขึ้นนิพพสนาไม่เป็นะทำอยู่นานนะทำนานทำสมาธิอย่างเนี้ยี่สิบปีได้แต่วความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านใหม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านใหม่วนเวียนอยู่เท่านั้นไม่ได้อะไรขึ้นมา ได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้เล่นโ น, น้นเล่นนี้ไปไ ด, ได้เรื่องของสมาธิอาสาระหาแก่นสารไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นแต่ว่าเริ่มสังเกตเห็นเนี่ยตรงที่เราไม่ตามแสงไปนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาทีนึงก็เห็นจิตส่งไปดูที่แสงมารู้ทันมันก็ตัดการส่งออกเข้าถึงฐานจริงๆในสมาธิ ได้ตัวรู้ขึ้นมาง้ตัวรู้เนี่ยทำได้สองแบบนะแบบหนึ่งทำสมาธิไปตามหลักสูตรเลยเต็มภูมิเลยถึงความสงบถึงขั้นหนึ่งแล้วก็ตัวรู้มันจะเด่นดวงขึ้นมาตัวรู้ที่เด่นดวงขึ้นมาด้วยกำลังของสมาธินี่จะทรงอยู่ได้หลายวันจนะไม่เหมือนตัวรู้ที่อีกแบบหนึ่งตัวรู้เหมือนกันแหละแต่ว่ามาอีกแบบหนึ่งก็คือตรงที่ อย่างเราพุโทโธพุโทโธแล้วจิตมันเคลื่อนแล้วเรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนจิตไหลไปคิดรู้จิตไหลไปคิดโลารู้เนี่ยมันจะได้ตัวรู้เป็นขณะขณะตัวรู้จะไม่ทรงอยู่นั้นจะได้ตัวรู้เป็นขณะถ้าตัวรู้ในสมาธินะเอาไปเดินปัญญาในสมาธิได้ถอยออกจากสมาธิจิตยังทรงเกือบเกือบถึงสมาธิแท้ๆอยู่เรียก อ, อุปจราระอยู่ตัวนั้นก็ยังเดินปัญญาได้ไม่จะเห็น ความไหวป๊ับป๊บปุ๊ปขึ้นมาความปรุงของสังขารมันจะปรุงพวกเราคนไหนเคยเห็นมันไหวขึ้นมากลางอกมัง้งเนี่ยมันเดินปัญญาอยู่นะเป็นเดินปัญญาอยู่ในอุปจารสมาธิถ้าแต่นปัญญาในอัปปนาสมาธินมันจะเห็นองชานเกิดดับยังมีปีติขึ้นมานะมันจะเห็นปีติค่อยๆสลายตัวไปนะเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปความหมดไปของปีติมีความสุขขึ้นมา เห็นความสิ้นไปเสื่อมไปหมดไปของความสุขอีกนะจะอเุเบกขาอุเบกขาก็เสื่อมได้อีกนะหมดสิ้นไปอีกจะมามีปีติมีวิตกมีวิจารในจิตมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในองคนะ์ฌานอันนั้นเป็นการเดินปัญญาในฌานในในอัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิมาหรือว่าล้เข้าไปไม่ถึงอัปปนาสมาธินะเรจะเห็นความไหวขึ้นกลางหน้าอกเนะี่ย เห็นสภาวะธรรมมันเกิดดับเกิดดับแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใครเคยเห็นไหมแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรไหวบั๊บบั๊บบั๊บบับบัครูบาอนะาจารย์แค่สอนว่าการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ไหวยิบยับเท่านี้แหละแต่ถ้าเราใช้สมาธิชนิดที่ว่าจิตเป็นเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารูนะ้จะเป็นคณิกะสมาธนะิตรงคณิกะสมาธิเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้เรารู้มันจะเกิดใค่แครู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมา รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะพออะไรเกิดขึ้นในกายสติระลึกรู้และถ้าจิตยังตั้งมั่นอยู่นะในขณะนั้นนะมันจะเริ่มเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันเวลาที่จิตมันรู้ตัวอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวอยู่มีคณิกาสมาธินยมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายสติระลึกรู้ได้เองะจะเห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะ ต่างคนต่างก็ทํางานต่างคนทําหน้าที่แสดงใจรักไปแล้กิเลสเกิดก็จะเห็นอีกกุศลเกิดก็เห็นอีกนะกุศลนึกกิเลสก็เป็นสิ่งที่สติไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดู้ี่กําลังของคณิกะสมาธิสมา ธ, ธิชั่วขณะพอเผลอเมื่อไหลจิตก็จะไหลเข้าไปที่อารมณ์เช่นไปดูสติะระลึกรู้ร่างกายถ้าสมาธิมันมีไม่จะเห็นกายกับจิตแยกกัน ถ้าสมาธิมันเสื่อมคนิกาสมาธิเสื่อมเร็วจิตก็จะไหลเข้าไปอยู่ในกายอย่างดูท้องฟองยบจิตไหลเข้าไปที่ท้องรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้เพราะสมาธิมันเสื่อมไปแล้วถ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่เป็นขณะขณะ น, นี้แหลนะก็จะเห็นว่ามันแยกออกมาเนะพราะสมาธิมันเสื่อมมันก็ไหลจิตก็ไหลเข้าไปรวมเข้ากับ อ, อารมณ์อีก มีความสุขความทุกข์ถ้าจิตมีสมาธิจิตก็ตั้งมั่นก็เห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะแยกกันต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างแสดงไตรักนี่เดินปัญญาในคณิกะสมาธินะถ้าสมาธิเสื่อมมันเสื่อมอย่างรวดเร็วจิตเชื่อจะไหลเข้าไปที่เวทนาหรือบางทีนั่งอยู่เริ่มปวดนิดหน่อยนะเราแยกได้เห็นกายอันหนึ่งความปวดอันหนึ่งจิตอันหนึ่ง ความปวดมากๆเข้านะสมาธิเราทนไม่ไหวนจิตมันไหลไปเกาะอยู่กับความปวดใคยเป็นไมอมนี่สมาธิเราไม่พอจิตไหลหรือเวลามีกิเลสเกิดขึ้ น, นถ้าจิตมันตั้งมั่นมีสมาธิชั่วขณะอยู่มันจะเห็นว่ากิเลสเทียบส่วนหนึ่งจิตเทียบส่วนหนึ่งะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ไม่เก้าไก่กัน แต่ถ้าสมาธิเราไม่พอนะพอมีกิเลสขึ้นมาจิตจะไหลเข้าไปที่ตัวกิเลสจิตกับกิเลสไปรวมกันใช่ไหมนะนี่เป็นการเดินปัญญานะในคณิกะสมาธนะิรอดแหลมจากการที่จิตเข้าไปรวมเดี๋ยวรวมเดี๋ยวแยกเดี๋ยวรวมเดี๋ยวแยกเมื่อไรมีแรงก็แยกเมื่อไหร่หมดแรงก็รวมนี่พอพวกเราหัดอย่างนี้นานๆไปนะชักจะเจ้าเล่ มันมีวิธีแยกนะโดยการดันดันอารมณ์ออกไปให้ห่างๆหรือดึงจิตออกมาจากอารมณ์หรือดันอารมณ์ออกไปจากจิตทําได้2แบบนะเป็นการจอมปลอมนะเป็นตัวรู้จอมปลอมตัวรู้ตัวนี้จะแข็งแข็งถ้าตัวรู้เกิดขึ้นแล้วมันหนักหนักแน่นเงีนแข็งแข็งซึมซึมทื่อให้รู้เลยว่าทําผิดล้ตัวรู้ที่แท้จริงนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวรู้ที่แท้จริงนะั้นเบา อ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อตัวรู้ที่แท้จริงเนี่ยซื่อตรงในการรู้อารมณ์โลภเกิดก็สัตว่ารู้ว่าโลภจะซื่อตรงในการรู้อารมณ์คือไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ถ้าถ้าจิตไม่มีสมาธิพอมันจะไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์ไปแทรกแซงอารมณ์อารมณ์นี้ชอบก็อยากให้อยู่นานอารมณ์นี้เกลียดก็อยากให้หายไปนะ นี่เราถ้าเราทําชาญไม่ได้นะเราก็มาฝึกให้ได้คณิกาสมาธิวิธีฝึกให้ได้คณิกาสมาธิก็คือทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปก็รู้บริหายใจจิตเคลื่อนไปก็รู้ดูท้องพองยุบแล้วจิตเคลื่อนไปก็รู้เคลื่อนไปไหนได้บ้างอันเคลื่อนไปสองอันใหญ่ๆอันหนึ่งเคลื่อนไปคิดอันหนึ่งเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์ที่จิตไปรู้ เช่นเราหายใจออกหายใจเข้าอยู่นะจิตเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบอยู่จิตเคลื่อนไปคิดก็ได้จิตไปเพ่งท้องก็ได้ะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอยู่จิตเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งเท้าก็ได้ะถ้าจิตเคลื่อนไปเราคอยรู้บ่อยๆต่อไปพอสติมันจดจําได้นะว่าจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนบ่อยๆเราจําได้แล้วว่าจิตเคลื่อนเป็นอย่างนี้เคลื่อนไปคิดเป็นนี้เคลื่อนไปเพ่งเป็นนี้ พอจิตเคลื่อนปุ๊บสติจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาแล้วสติเกิดปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาในขณะเดียวกันนั้นเลยเพราะ้นทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะสติก็เกิดเพราะเพราสติเป็นตัวรู้ทันว่าจิตเคลื่อนแล้วในขณะที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนั้นจิตจะตั้งมั่นจิตจะไม่เคลื่อนจิตดวงที่เคลื่อนนั้นจบไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่รู้ว่าจิตเมื่อกี้นี่เคลื่อนเพราะฉะนั้นการที่เราฝึก จิตเคลื่อนแล้รู้จิตเคลื่อนแล้รู้ในขนานั้นเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิขึ้นมาพอเราได้สมาธิทีแรกก็จะอยู่ได้แวบเดียวมันก็เคลื่อนไปอีกเคลื่อนอีกรู้อีกเคลื่อนอีกรู้อีกซ้อมมันทุกวันนะแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนรู้เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติมันเกิดนะสมาธิอัตโนมัติมันก็จะเกิดด้วย สติกับสมาธิตัวนี้จะเกิดร่วมกันเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วสมาธิเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงแต่ถ้าเป็นสมาธิที่เกิดร่วมกับสตินี่เป็นสมาธิที่ดีถ้าเป็นสมาธิที่เกิดโดยปราศจากสติเป็นสมาธิชั้นเหลวเป็นมิจฉาสมาธิงั้นผู้ร้ายอยากจะฆ่าคนนมันจ้องจะฆ่าคนมันมีสมาธิไหมมีนะจิตเป็นอกุศล สมาธิอย่างนั้นตือเป็นสมาธิชั้นเหลวสมาธิชั้นดีเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่มีกิเลสแทรกตรงนั้นจิตจะเป็นมหากรุสรจิตญาณสัมพยุตอสังขาริกังถ้าใครเรียนอภิธรรมมาก็จะเคยได้ยินประโยคเนี้เป็นมหากรุสรจิตจิตที่เป็นกุศลมันมีลักษณะที่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่เข้าไปแทรกแซงแ ไม่มีราค่าโทสะโมหะนะเกิดขึ้นเองในอะสังขาริกังเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาจะให้เกิดจิตที่เป็นตัวรู้นี่เลยฉนะนั้นจิตที่เป็นกุศลอย่างสูงนะเป็นกุศลที่เกิดขึ้นเองนะคือตัวรู้นี่เองเป็นจิตที่เป็นกุศลชั้นสูงเนกะิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญา มันจะไปใช้เดินปัญญาเนี่ยต้องใช้จิตชนิดนี้ถ้าจิตบางชนิดเป็นกุศลเฉยๆแต่ไม่มีปัญญ า, นะาเช่นเช่นที่จิตที่ไปจับสมรรคจับแสงสว่างจับความว่างนะมีสติจับอยู่ที่ความว่างจับอยู่ที่ความสว่างนะจิตอย่างนั้นเป็นมหากุศลจิตนะแต่เป็นญาณวิปยุทธมาถึงญาณวิปยุทธคือไม่ประกอบด้วยปัญญานะมันจับอารมณ์ไมเฉยๆ อาจจะเกิดเองหรือว่าต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดก็ไดนะ้แต่จิตที่เป็นกุศลที่เราจะใช้เดินปัญญาเป็นกุศลขั้นสูงเลยนะจิตที่เป็นกุศลอย่างสูงเนี่ยเขาเรียกมหากุศลจิตญาณสัมปยุตญาณสัมพยุตประกอบในปัญญาอาสังขาริกังเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดมันะเกิดอัตโนมัติมันจะเกิดได้เราต้องฝึกต้องซ้อมอยู่ๆมันไม่เกิดหรอก ทุกวันทำในรูปแบบนะเราจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปสุดท้ายมันจะมาสูตรจิตตัวรู้ที่หลวงพ่อว่านี่นะจะมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาประชุมกันอยู่ทำงานเจริญปัญญาต่อไปได้นะเมื่อสักสามสปีนะหลวงพ่อพอนาเป็นแล้วหลวงพ่อก็ตะเวนออกไปออกไปดูสำนักต่างๆไปดูนะวัดโน้นวัดนี้นะสายโน้นสาย น, น, ายนี้ไปดูทั่วเลย ก็ผมบอกว่ากระทั่งคนที่บอกว่าทำวิปัสสนานะไม่เคยทำวิปัสสนาจริงสักกี่คนหรอกนะส่วนใหญ่ไปเพ่งเอาไว้เพราะว่าไม่เคยรู้จักรลักษณะของจิตนะไม่เคยเรียนเรื่องเรื่องจิตตสิกขาไม่ชำนาญเรื่องจิตอยู่ๆก็จะไปทำวิปัสสนานะเอาจิตที่ไม่ได้เรื่องไปทำวิปัสสนา อีพวกหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิซะลึกเลยแล้วออกจากสมาธิมาคิดพิจรารณาร่างกายแล้วบอกคิดพิจารณากายเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเนี่ยหลวงปู่เทสก็เคยสอนนะคิดพิจารณาเนี่ยยังไม่เป็นหลวงพ่อพุธกนะพูดชัดเลยว่าสมาถิเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดก า, า, ารมมากาคิดนะยังคิดอยู่ไม่ใช่ต้องรู้เอาวิปัสสนาเปลว่อเห็นเห็นอย่างที่มันเป็นถ้าคิดเอาเรียกว่าวิตกนะ พระอาาไม่ได้สอนให้พ้นทุกข์ไปด้วยวิตกนะให้พ้นทุกข์ด้วยวิปัสสนาเนี่ยออกไปดูนะมันมีแต่คนที่เดินจิตผิดนะ่ะกระทั่งคนที่บอกให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวนะบางที่ก็สอนให้รู้สึกตัวเราดูแล้วมันไม่ได้รู้สึกตัวมันเพ่งตัวอยู่เนี่ย จ, จะทำอะไรก็เพ่งเพ่งทื่อๆแข็งๆไปด้วยทื่อๆไม่ใช่รู้สึกตัวจริง แต่ว่าทุกวันนี้นะเราไปสถานการณ์มันเปลี่ยนะพวกที่เรียนอยู่หลวงพ่อเนี่ยมันรู้สึกตัวเป็ น, นตื่นเมื่อห้าปีก่อนนะใครตื่นเนี่หลวงพ่อชมนะมาถึงปีนี้ใครตื่นนะธรรมดาใครใครเขาก็ตื่นใครไม่ตื่นนี่เฉยแหลกแล้วมาถึงวันนี้ตื่นอย่างเดียวไม่พอต้องแยกธาตุแยกขันเป็นด้วยอเอ๋พอตื่นขึ้นมาแล้วรู้ตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้ไม่เดินปัญญา ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะใจไม่ไหลไปในโลกของความคิดแล้วเพราะว่าเราฝึกเนี่ยใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ใจก็เลยตื่นขึ้นมาเกิดที่ไม่ได้เจตนาพอจิต ต, ตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะอาศัยสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าอะไรเด่นรู้ว่านั้นไม่มีสายกายสายจิตใดๆทั้งสิ้นในขั้นวิปัสสนากรรมฐานไม่มีสายแล้วนะเพราะอะไรสติระลึกรู้กาย จิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็เห็นกายแสดงไตรลักษณสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เห็นไตรลักษณ์ในเวทนานั้นสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นสังขารทั้งหลายนั้นแสดงไตรลักษณจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะแล้วก็จิตออกไปรับอารมณ์ทางทวารทั้ง6 สติะระลึกรู้จิตไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติะระลึกรู้เห็นมันทํางานหมุนไปทางถวาวรทั้งหกนะมันก็เห็นว่าจิตนะมันทํางานได้เองมันแสดงไตรลักษณ์เนี่ยงความแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ของขันห้านะของธาตุของขันถ้าเห็นไตรลักษณ์ของขันนั่นแหละมีปัศนากรรมฐานถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นแต่ขันอย่างเดียว เห็นร่างกายอย่างเดียวเห็นท้องพองยุบอย่างเดียวเห็นมืออย่างเดียวไม่ใช่วิปัสนาจําไว้เลยนะนี่เป็นหลักนะเป็นหลักสําคัญไม่ใช่หลวงพ่อโมเมผู้เราเองนะในนักธรรมเอกตํารานักธรรมเอกตรงพระามีนะอันเนี้ยสอนเลยว่าถ้ายังเห็นแค่ตัวรูปตัวนามอยู่นะเป็นสมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาไอ้อภิธรรมก็สอนอย่างนี้แลอวโมเมกันบอกว่าคิด ได้ไ้ยคิดเรื่องร่างกายเป็นไตรลักษณ์คิดเรื่องร่างกายเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์เพราะงั้นไม่เป็นวิปัสสนานะต้องเห็นเขาแสดงเลยเห็นคันห้ามันแสดงให้ดนะูร่างกายมันเคลื่อนไหวมันรู้สึกอยู่เลยว่าเอ้ยไอยตัวนี้มันไม่ใช่เราหรอกนะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมันเองก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนีนะ้ไม่ใช่ตัวเราแเป็นตัว ที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดทางใจก็เป็นตัวไม่เที่ยงและเป็นตัวอนัตตาไม่ได้สั่งให้เกิดก็เกิดสั่งให้เกิดมันก็ไม่เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับอยนะนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นะอย่างพวกเราเวลาความโกรธเกิดแล้ว เ, เห็นความโกรธเป็นวิปัสนาไหมโกรธขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าโกรธเป็นวิปัสนาอย่างยังเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธแสดงไตรลักษณ์ให้ดู มันไม่ใช่เราเนี่ยเป็นสภาวะต่างหากนะจิตเป็นแค่คนดูอยู่ความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกฟลอมมาไม่ใช่เรานะเนี่ยพอใจมันรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยมันเดินวิปัสสนาอยูนะ่หรือมันเห็นนะความโกรธไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดได้เองแล้วก็ดับได้เองด้วยเราไม่ได้ไปุ่งกับมันเลยนะมันตกอยู่ใต้อนาตตาอันนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาหรือเห็นว่าเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธ อาโกรธแป๊เดียวพอสติไปรู้ความโกรธดับจิตกลายเป็นจิตไม่โกรธอีกแล้วเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะถ้าเห็นความโกรธเห็นความสุขเห็นความทุกข์ไม่ใช่วิปัสสนาเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ายังไม่ใช่วิปัสสนาเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอยู่เนี่ยเห็นนะไม่ใช่คิดนะอมถึงจะเป็นวิปัสสนา หลักเราต้องแม่นนะถ้าหลักเราแม่นแล้วการภาวนาจะสั้นนิดเดียวเลยนะสมัยหลวงพ่อภาวนานะมันตลุมบอลเพราะเราไม่ได้เรียนปริยัติเลยนะครูบาอาจารย์บอกให้ดูก็ดูเลยในขณะที่ดูจิตเนี่ยนะหลวงพ่อจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะในขณะที่ดูจิตเนี่ยจิตพลิกไปเป็นสมถะเป็นช่วงๆนะไปส่งกันบ้านหลวงปุ ด, ดุล นะครั้งที่สามที่ไปหาท่านหลวงปู่ครับมีวันหนึ่งนะฟ้าผ่าพายุมาผมเปียกฝนไปทั้งตัวเลยผมเห็นจิตที่กังวลเอาผมเห็นจิตที่กังวล น, นะจิตที่กังวลดับปั๊บโลกธาตุดับหมดเลยนะแล้วจิตมันเคลิ้มเคลิมลงไปหลวงปู่บอกว่าจิตมันเข้าสมาธิบอกเออหลวงปู่ผมตอนนั้นไม่ได้เข้าสมาธินะตอนนั้นผมดูจิตเลาคิดว่าเราดูจิตอยดูทําวิปัสสนาอยู่ หลวงปู่บอกว่าดูจิตนะได้สมาธิอัตโนมัติพอมาภาวนาเข้าใจดีแล้วนะถึงรู้เลยว่าในขณะที่เราเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงๆ ช, ช่วงไหนที่ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ช่วงนั้นเป็นสมถะทันทีเลยนะห ล, ลักให้แม่นนะไม่งั้นจะมั่วเพราะงั้นเวลาพอจิตมันพลิกไปเป็นสมถะแล้วเกิดอาการแปลกๆขึ้นนิมิตทั้งหลายเกิดขึ้นจะคิดว่าเกิดมรรคผล เพราะว่าทำวิปัสนาอยู่นะหรือเดินวิปัสนาอยู่นะเราจิตพลิกเป็นสมนถะแล้วไม่รู้เกิดอาการแปลกๆขึ้นคิดว่าบราารลุพระอรหันต์ล้ที่แท้เป็นวิปัสสนูปกิเลสเดินวิปัสนาต้องเจอวิปัสนูแน่นอนโดยเฉพาะถ้าพวกดูจิตจะเห็นโอภาษณ์ความสว่างว่างอย่าไปหลงอยู่ในความว่างมันสุขมันสบายนะให้ทวนกลับเข้ามาดูกายดูใจใหม่นะถ้าจิตเข้าถึงฐานเมื่อไหร่วิปัสสนูจะหายทันทีจำหลักนะ ถ้าจิตเข้าถึงฐานจริงๆนะวิปัสสนูสิบตัวนะั้นดับหมดเลยนะพวกที่ติดวิปัสสนูเพราะจิตมีสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานดังที่หลวงพ่อจําจี้จํำชัยเรื่องจิตถึงฐานเนี่ยสำคัญมากนะถ้าจิตถึงฐานได้นะจะไม่หลงกับนิมิตเพราะนิมิตทั้งหมดเนะี่ยจิตออกจากฐานถ้าจิตถึงฐานได้นะจะเห็นรูปนามสแสดงไกลรักแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นไตรลักษของธาตุของขันธ์ได้ ถ้าจิตถึงฐานนะมีปัสจนโที่เกิดขึ้นจะดับหมดทันทีเลยจะพ้นจากวิปัสสนูทันทีเลยงั้นการที่ฝึกจิตฝึกใจให้ถึงฐานจริงๆเนีอันนี้งานนี้แหละที่เรียกว่าจิตตะศิขาถ้าเรียนจิตตะศิขาทองแท้นะจิตจะถึงฐานจริงๆนะงั้นส่วนมากจะสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําต้องเรียนนะศีลสิกขาจิตตะศิขาปัญญาศิกขาจิตตะศิขาเนี่ยจะทําให้ได้สมาธิที่ถูกต้อง ไม่เคยเรียนเรื่องจิตเลยบางคนปฏิเสธการดูจิตด้วยซ้ําไปนะปฏิเสธนะเพราะงั้นเอาจิตที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไปเจริญปัญญาเอาจิตที่ติดโมหามัางติดสมาธิซึมซึมมั่งอะไรเงี้ยไปเจริญปัญญาทําไม่ได้จริงหรือเอาจิตที่ฟุ้งซ่านไปเจริญปัญญาก็ทําไม่ได้จริงนัจิตต้องตั้งมั่นจริงๆจิตต้องถึงฐานจริงๆริงถึงจะเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้พอแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยเป็นวิปัสสนาอย่าง เห็นกายกับจิตเป็นโครานเป็นวิปัสสนาอย่างยั่งต้องเห็นกายก็เป็นใจรักจิตก็เป็นใจรักนะถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นใจรักษณเห็นแค่ตัวรูปนามเนี่ยเป็นสมถะนะหลักต้องแม่นนะไม่งั้นเดี๋ยวทําสมถะอยู่แล้วเกิดความรู้ความเห็นแปลกๆนึกว่าบรรลุธรรมแล้วที่แท้ไม่ใช่เยังต้องฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปนะศีลห้ารักษาเอาไว้สรุปศีลห้ารักษาเอาไว้นะ ตั้งใจรักษาทุกวันมาหลายๆรอบนึกถึงว่าเราจะมีศีลห้ามีศีลห้าไม่ต้องไปขอใครหรอกฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองแบ่งเวลาไว้ซ้อมในรูปแบบจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ต่อไปอยู่ในชีวิตประจำวันจิตเคลื่อนก็รู้เองจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาอย่าอยู่ตั้งมั่นอยู่เฉยๆดูกายเขาทํางานดูใจเขาทางานให้เห็นใจรักของกายของใจ ถ้ามันไม่เห็นคิดนำนิดหน่อยได้นะคิดนานิดหน่อยเป็นอุบายไม่ใช่หลักนะเป็นอุบายกระตุ้นให้จิตมันดูใจรักนะงั้นไปฝึกนะข้อหนึ่งรักษาศีล5ไว้ข้อ2ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นนะนะั่นแหละข้อ3าเจริญปัญญาดูความเป็นใจรักความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความบังคับไม่ได้ของกายของใจ ทำได้อย่างนี้นะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะเป็นพระอระหันต์หรือพระนาคานะถ้าบารมีน้อยหน่อยก็ได้โสดานะไปฝึกเอานะแต่บางคนไม่ได้นะบางคนดีเกินไปหรือหวังพุทธภูมิใจไม่ตัดนะบางคนเร็วเกินไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วนะใครฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วบ้างมีไหมยังไม่มียังมีโอกาส ใครด่าพระอริยะบ้างไม่แน่ใช่ไหมเที่ยวด่าคนนั้นคนนี้ไม่รู้นะใครเป็นพระริยะอาไปกินข้าว